ด้วยรักบรรดา น, นิทานสีขาวเรื่องเครื่องกรองสามชั้นนานมาแล้วณนะประเทศกรีกนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าโซเครติสกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านของเขาตอนนั้นเองมีเพื่อนคนหนึ่งแวะมาทักทายและกล่าวว่ามีเรื่องเกี่ยวกับใครคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังโซเครติสบอกเพื่อนว่าเพื่อนเอย๋ย รอเดี ion, date, esse, grounds, ๋ย yes. yes. nah. วก่อนก่อนที s right. <S ่เพื่อนจะเล่าเรื่องของเพื่อนนั้นเพื่อนได้นำเรื่องของเพื่อนไปกรองกับเครื่องกรองสามชั้นมาแล้วหรือยังเพื่อนของโซเชติชงงมากถามกลับว่าเครื่องกรองสามชั้นอะไรหรือเป็นเครื่องกรองที่ทําให้เรารู้ว่าเรื่องของเราควรส่งต่อถึงผู้อื่นหรือไม่ข้าก็ยังงงๆอยู่ดีละไหนลองบอกส่วนประกอบ ของแต่ละชั้นกรองมาสิโซเคติส so จึงบอกว่าเครื่องกรองชั้นแรกคือความจริงขอถามหน่อยเรื่องที่เพื่อนจะพูดหรือเล่าออกมาเป็นความจริงหรือไม่ mm hmm. เพื่อนของโซเคติสบอกว่าขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฟังมาจากคนอื่นอีกทีแต่เขาก็บอกมาว่าเป็นเรื่องจริงนี่ ถ้าเพื่อนไม่ได้ประสบเรื่องนั้นด้วยตนเองเพื่อนอย่าเพิ่งแน่ใจเลยว่าเป็นเรื่องจริงดังนั้นเพื่อนจะนําเรื่องที่เพื่อนก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามาเล่าให้ข้าฟังอย่างนั้นหรือแล้วเครื่องกร้องชั้นที่สองละ่ะเครื่องกลองชั้นที่สองคือความดีขอถามหน่อยว่าเรื่องที่เพื่อนจะเล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ไม่ดีเลย เพราะที่ข้ากำลังจะเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีของคนอื่นถ้าอย่างนั้นเพื่อนจะเอาทั้งเรื่องไม่จริงและขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องไม่ดีมาเล่าให้ข้าฟังอย่างนั้นหรือเอาละเพื่อนแม้ว่าเรื่องของเพื่อนจะเป็นเรื่องไม่จริงและไม่ใช่เรื่องดีแต่เรามาดูกันก่อนก็ได้ว่าเรื่องของเพื่อนจะผ่านเครื่องกองชั้นที่สามได้หรือไม่ มันคืออะไรล่ะเครื่องกองชั้นที่สามคือประโยชน์เรื่องที่เพื่อนจะเล่าให้ข้าฟังเมื่อฟังแล้วทำให้เกิดประโยชน์อันใดหรือไม่เล่าเห็นจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยท่านถ้าอย่างนั้นในเมื่อเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องไม่ดีและไม่มีประโยชน์เพื่อนก็อย่าได้เล่าให้ข้าฟังเลย เก็บไว้ที่ตัวเพื่อนเองดีกว่าเพื่อนของโซเคติอึ้งไปและใช้ความคิดเพื่อพิคอคำพูดของโซเคติสอย่างหนักก่อนจะลากับโดยไม่ได้เล่าเรื่องนั้นให้เขาฟังอีกเลยเธอทั้งหลาย ผู้ที่มีความเป็นปราดอยู่ในตัวมักส่อแสวงหาแต่สิ่งดีๆที่ทําให้หัวใจของเขาไม่ขุนมัวเพื่อที่ว่าความไม่ดีทั้งหลายจะได้ไม่มาแพร่ผ่านปัญญาของเขาบุคคลเหล่านี้จึงมักจะคัดกรองเอาแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองแม้แต่การรับฟังก็ต้องผ่านเครื่องกรองสามชั้นเสมอคือสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นความดีและสิ่งที่เป็นประโยชน์ เราอาจจะไม่ใช่นักปราดผู้ยิ่งใหญ่อย่างโซเชติสแต่เราก็นำวิธีการของเขามาใช้กับตนเองได้มีเรื่องมากมายเหลือเกินที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทั้งเรื่องจริงและโกหกเรื่องที่เป็นความดีและความชั่วเรื่องที่เป็นประโยชน์และไม่มีประโยชน์หากเราจะรับฟังทั้งหมดนี้ไปเสียทุกเรื่องจิตใจของเราคงวุ่นวายน่าดูเพราะเรื่องโกหกจะชี้ให้เราหลงผิด เรื่องไม่ดีจะทำให้จิตใจของเราปั่นป่วนและเรื่องไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำแต่ถ้าเธอรู้จักคัดกรองสารและเลือกที่จะไม่เข้าไปเกลือกล้ออรวกับสิ่งที่ไม่มีจริงไม่ดีและไม่มีประโยชน์ได้ชีวิตเธอก็จะมีแต่ความสดชื่นรื่นเริงเช่นเดียวกับคนที่พูดหากได้รับฟังในเรื่องที่ไม่จริงไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แล้วไซ ก็จงเก็บมันไว้ให้ตายไปกับตัวเธออย่าได้แจกจ่ายแพร่งพลายไปสู่ผู้อื่นเลยหากทำเช่นนี้ได้ก็เท่ากับเธอไม่ได้ไปเพิ่มความทุกข์ให้ใครและบุญบุญกุศลแก่ชีวิตเธออีกทางหนึ่งด้วย